Book <two. S> 2ูเกาเดีวตวันดิวีท์เวันจันประเนย์เจกวันอังคารอัตูร์กวันพุธ เรดาวันพฤหัสศุ บ, บร์ชัดวีรวันศุกร์พ я т н ิ ц จวันเสาร์ у ุ б о ต а วันอาทิตย์เลสัปดาอาทิตย์ทิจิน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ปนเจลกดนเจลวันที่หนึ่งคือวันจันทร์เพีลวันที่สองคือวันอังคารอตรกวันที่สามคือวันพุธตริจ วันที่สี่คือวันพฤหัสบดวีวันที่ห้าคือวันศุกร์วันที่หกคือวันเสาร์วันที่เจ็ดคือวันอาอทิตย์ นหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันอุทิศยี่สิเจนเราทำงานเพียงห้าวัน